เมื่อพระาศาสดาตรัสเล่าบุพกรรมหรือบุพเพปนิทานของพระอครส า, าวกจบลงแล้วท่านทั้งสองได้กราบทูลเรื่องปัจจุบันของตนตั้งแต่ต้นจนถึงเรื่องที่ชักชวนท่านสันชัยมาเฝ้าพระตถาคตเจ้าแต่ท่านสันชัยไม่ยอมมาอ้างว่าไม่สมควรเป็นสิทธ์ของใครอีกแล้วท่านสันชัยบอกว่าไปเถิดคนฉลาดฉลาดตรงไปสํานักของพระสมณโคดมส่วนคนโง่ จงอยู่ในสำนักของเราเพราะในโลกนี้คนโง่มีมากกว่าคนฉลาดแม้ข้าพระองค์ทั้งสองจะกราบเรียนว่าลัทธิของท่านอาจารย์ไม่มีสาระแล้วไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเถิดท่านอาจารย์สัญชัยก็หาฝั่งไม่พระตถาคตเจ้าทรงสะดับคำของอ克拉สาวกแล้วตรัสว่าสัญชัยยึดมั่นสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระ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 ส่วนชนใดเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระคนพวกนั้นมีความตำริชอบเป็นทางดําเนินย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระพระดาก็อะไรเล่าคือสิ่งที่ไม่เป็นสาระ อะไรคือสิ่งที่เป็นสาระตอบตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาสิ่งใดก็ตามอันเป็นไปเพื่อความบิดเบียนบีบคั้นเป็นไปเพื่อความฟุง้งซ่านเอาใจไว้ไม่อยู่ทำให้จิตเตลิดเป็นไปเพื่อความหลงงมงายมืดมนเป็นไปเพื่อความติดพันยึดมั่นสิ่งทำนองนั้นแหละเป็นอาสาระส่วนสิ่งใดก็ตามอันเป็นไปเพื่อความไม่บิดเบียนบีบคั้นเป็นไปเพื่อความสงบระงับ แห่งดวงจิตเป็นไปเพื่อปัญญาเห็นแจ้งเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นด้วยอุปทานคือความเป็นไปเพื่อหลุดพ้นสิ่งนั้นหรือสิ่งทํานองนั้นเรียกว่ามีสาระคนส่วนมากอาศัยความดำริผิดจึงเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระแล้วหมกมุ่นอยู่พัวพันอยู่จมอยู่ในสิ่งอันไม่เป็นสาระนั้นมิหนำซ้า ยังนึกดูมินผู้ที่กำลังศึกษาปฏิบัติอยู่ซึ่งสิ่งอันเป็นสาระว่าขนขวายในสิ่งที่ไม่มีสาระเมื่อเป็นดังนี้เขาจึงไม่มีโอกาสประสบสิ่งอันเป็นสาระได้เพราะได้สมาทานมิจฉาทิฐิไว้เต็มที่ดูก่อนท่านผู้สแสวงหาสาระกล่าวโดยย่ออกุศลธรรมทั้งปวงเป็นอาสาระกุศลธรรมทั้งปวงเป็นสาระสิ่งที่ทำให้จิตใจต่าเป็นอาสาระ สิ่งที่ทําให้ใจสูงเป็นสาระท่านผู้สแสวงสัจจะคนส่วนมากอยากเป็นคนดีอยากทำดีและอยากได้ดีแต่ที่ทําต่างๆกันไปก็เพราะความเห็นในเรื่องความดีไม่ตรงกันบางคนเห็นผิดไปเห็นชั่วเป็นดีเมื่อทําเข้าจึงชั่ว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 เขาย่อมพบสิ่งที่เป็นสาระเพราะมีความเห็นถูกคิดถูกนั้นเป็นประทีปสองทางส่วนผู้ที่มีความคิดความเห็นไม่ตรงย่อมมีแต่โทษทุกข์เป็นผลดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นสิ่งอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจเจริญไพบูรยิ่งขึ้นเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เลยภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีความเห็นผิดอกุศลกรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดแล้วย่อมเจริญไพ่โบ์ยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นเกิดแล้วเจริญไพ่โบ์ยิ่งขึ้นเหมือนสัมมาทิฐินี้เลยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความเห็นชอบกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น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 พิสูจทั้งหลายกายกรรมวิจีกรรมและมนโนกรรมของบุคคลผู้มีความเห็นผิดย่อมเป็นไปเพื่อผลอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์เพราะเหตุใดเพราะทิฏฐินั้นเลวซ้ำพิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนเมล็ดสดาก็ดีเมล็ดบวบขมก็ดีเมล็ดน้ำเต้าขมก็ดีที่บุคคลหมกไว้ในดินอันชุ่มชื้น รถดินรถน้ำที่มันดูซึมเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเพื่อเผ็ดร้อนเพื่อไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพืชเลวฉันใดพิสูจทั้งหลายกายกรรมก็ดีเจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิก็ฉันนั้นเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาเพราะความเห็นของเขาเลวตามเจตนาก็ตามความปรารถนาก็ตาม ความตั้งใจก็ตามมีผลที่ไม่น่าปรารถนาไปด้วยเพราะเกิดจากทิฏฐิอันเลวซาม ภิกษุทั้งหลายกายกรรมเวจีกรรมมโนกรรมเจตนาความปรารถนาความตั้งใจสังขารเครื่องปรุงแต่งจิตของบุคคลผู้มีความเห็นชอบย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าชอบใจเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิของเขาดีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนผันอ้อยก็ดีพันข้าวสาลีก็ดี พันผลจันทร์ก็ดีอันบุคคลหมกไว้ในดินที่ชุ่มชื้นรถดินรถน้ำที่มันดูดซึมเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นของมีรสหวานน่ายินดีน่าชื่นใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพืชพันธ์ดีกายกรรมวจีกรรมของบุคคลผู้เป็นสมาทิฏฐิก็ฉันนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลอน า, นาปราถนาเพราะทิฐิของเขาดีพระดา เห็นหรือไม่ว่าความเห็นชอบความดำริชอบมีความสำคัญต่อชีวิตของบุคคลอย่างไรเหมือนประทีปสองทางเหมือนเมล็ดพืชที่ดีอำนวยประโยชน์และความสุขแก่บุคคลหาประมาณมิได้พระอค拉สาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระมหาโมฆลลานะเป็นผู้มีความเห็นชอบและมีความดาริชอบตั้งแต่สมัยเป็นปริภาชกจึงตั้งใจสแสวงหาสาระ และได้มาพบสาระอันสูงยิ่งในศาสนาของพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใครครบท่านทั้งสองก็ได้รับสาระประโยชน์ก็ท่านทั้งสองได้รับการยกย่องสรรเสริญจากพระาศาสดาเป็นอเนกประการดังที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายคบกับสารีบุตรและโมฆลานะเถิดเพราะทั้งสองมีปัญญาอนุเคราะห์เพื่อนบรรพชิต สารีบุตรเปรียบเหมือนมารดาผู้ให้เกิดโมฆลลานะเหมือนนางโนมผู้เลี้ยงทารกที่เกิดแล้วสารีบุตรย่อมแนะนําให้ตั้งอยู่ในโสดาปติผลโมฆลลานะแนะนําให้ตั้งอยู่ในคุณที่สูงกว่านั้นเพราะสารีบุตรนั้นพระาศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิ่ทางปัญญาสามารถแสดงธรรมจักให้กว้างขวางลึกซึง้งและพิสดารเช่นเดียวกับพระองค์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 เช่นครั้งหนึ่งพระาศาสดาประทับอยู่ที่เมืองเทวทหะพภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าทูลลาจะไปปัดฉาภูมิชนบทตรัส บ, บอกให้ไปลาพระสารีบุตรก่อนทรงชมเชยว่าสารีบุตรมีปัญญาอนุเคราห์เพื่อนบรรพชิตเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปลาตามรับสั่ง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 ถ้าเขาถามอย่างนั้นท่านพึงตอบว่าครูของเราสอนให้ละความกำหนัดรักใคร่เสียถ้าเขาถามอีกว่าละความกำหนัดรักใคร่ในสิ่งใดพึงตอบว่าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันรวมเป็นขันห้าถ้าเขาถามอีกว่าครูของท่านเห็นโทษอย่างไรและเห็นอนิสงอย่างไรจึงสอนอย่างนั้นพึงตอบว่า เมื่อบุคคลยังมีความกำหนัดรักใคร่ในรูปเป็นต้นนั้นอยู่ครั้นรูปเป็นต้นแปรปรุนเป็นอย่างอื่นก็เกิดทุกโศกร่ำไรรำพันเมื่อละความกำหนัดรักใคร่ในสิ่งเหล่านั้นเสียได้แม้สิ่งเหล่านั้นจะวิบัติแปรไปทุกก็ไม่เกิดครูของเราเห็นโทษและเห็นอนิสง์อย่างนี้อันหนึ่งถ้าบุคคลประพฤติอกุศลธรรมแล้วอยู่เป็นสุขไม่ต้องขับแคนไม่ต้องเดือดร้อน และบุคคลผู้ประพฤติกุศลธรรมจะต้องอยู่เป็นทุกข์ต้องขับแคนต้องเดือดร้อนแล้วไซดพระศาสดาคงไม่ทรงสั่งสอนให้ละอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมแต่เพราะเหตุที่อกุศลให้ผลเป็นทุกข์กุศลให้ผลเป็นสุขพระศาสดาจึงทรงสั่งสอนให้ละอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรม ท่านผู้แสวงสัจจะเรื่องการโต้อตอบปัญหาเพื่อย่ำยีหรือแก้ปรับวาทะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่ภิกษุทั้งหลายต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจเพื่อให้คนทั้งหลายผู้คล่องใจสงสัยในพระพุทธศาสนาได้เข้าใจตามความเป็นจริงเมื่อพระาศาสดาจะนิพพานก็ทรงปรารบเรื่องนี้เหมือนกันว่าวันนี้มีพุทธบริษัทผู้สามารถย่ำยีปรับวาทะมากพอสมควรแล้ว ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่พระองค์จะนิพพานแปลว่ามีสาวกผู้สามารถพอที่จะทำงานเผยแผ่พระธรรมแทนพระองค์ได้พระองค์ก็ทรงพอพระทยัยเสมือนมารดาหรือบิดาผู้มีมรดกไว้ให้ลูกเมื่อทราบว่าลูกเติบโตพอและมีปัญญาพอที่จะรักษามรดกได้แล้วก็พอใจนอนตาหลับรูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นั้นเป็นของไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงเกิดขึ้นตั้งอยู่และแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยใครจะเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ได้ผู้ใดยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันรวมเป็นขันห้าว่าเป็นของตนผู้นั้นจะต้องเดือดร้อนเพราะความแปรปรวยนไปแห่งขันห้านั้นท่านจึงสอนให้ละความกำหนัดรักใคร่ และความยึดมั่นในขันห้าเสียเพื่อจะได้ไม่ร้อนใจเมื่อมันแปรปรวนไปอันหนึ่งขันห้านี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นหลักสูตรเพื่อปริญญาเป็นปริญญายธรรมคือสิ่งที่ควรกําหนดรู้ตามความเป็นจริงเพื่อไม่หลงไม่ติดไม่ยึดเมื่อกําหนดรู้ตามความเป็นจริงจนไม่หลงไม่ติดไม่ยึดแล้วก็จะถึงความสิ้นราคะโทสะและโมหะ ความสิ้นราคะโทสะโมหะนั่นแลคือปริญญาในศาสนาของพระศาสดาอีกครั้งหนึ่งพระรูปหนึ่งชื่อยมกะกล่าวว่าพระอรหันต์ตายแล้วดับสูนภิกษุทั้งหลายท้วงติงว่าเห็นอย่างนั้นผิดพระยมกะไม่เชื่อยังคงถือทิฏฐิอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายจึงได้นิมนต์พระสารีบุตรไปช่วยสอนพระยมกะให้คลายความเห็นผิด พระสารีบุตรถามพระยะมะกะว่ายะมะกะท่านเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นพระขีณาสพหรือไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้เจริญพระยะมะกะตอบท่านเห็นว่าพระขีณาสพมีในขันห้าหรือพระขีณาสพอื่นจากขันห้าหรือพระขีณาสพเป็นขันห้าหรือพระขีณาสพไม่มีขันห้าหรือ ท่านถามต่อพระยะมะกะปฏิเสธทุกคำถามว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้เจริญไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้เจริญพระสารีบุตรจึงว่าเมื่อเป็นดังนี้ควรหรือยะมะกะที่ท่านจะพูดยืนยันว่าพระขีนาสพตายแล้วดับสูนพระยะมกกะกราบเรียนท่านว่าเมื่อก่อนนี้มีความเห็นผิดแต่บัดนี้ได้ฟังท่านสารีบุตรแล้วละความเห็นผิดเสียได้ และได้บรรลุธรรมพิเศษด้วยคราวนี้ถ้ามีผู้ถามท่านว่าพระขีณาสพตายแล้วเป็นอะไรท่านจะตอบอย่างไรพระสารีบุตรถามพระยะมะกะข้าพเจ้าจะตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงดับไปแล้วดีแล้วยะมะกะพระสารีบุตรครับเราจะอุปมาให้ท่านฟังบุคคลผู้หนึ่งมั่งมี รักษาตัวแข็งแรงบุรุษผู้หนึ่งคิดจะฆ่าเขาเห็นว่าจะฆ่าโดยเปิดเผยเห็นจะยากเพราะมีอารักขาแข็งแรงควรจะลอบฆ่าด้วยอุบายจึงปลอมตนเข้าไปเป็นคนรับใช้ของเจ้าของเรือนนั้นมันปรนนิบัติจนเขาไว้ใจเมื่อเผลอก็ฆ่าเสียด้วยสัตรายะมะกะท่านเห็นอย่างไรเจ้าของเรือนนั้นเมื่อบุรุษผู้ปองล้างชีวิตตนมาขออยู่รับใช้ก็ดี ใช้ใช้อยู่ก็ดีเวลาเขาฆ่าตัวก็ดีไม่รู้เลยว่าผู้นี้เป็นคนฆ่าเราอย่างนั้นไม่ใช่หรืออย่างนั้นและท่านผู้เจริญพระยะมะกะตอบพระสารีบุตรจึงว่าพุธุชนผู้มิได้สดับธรรมก็อย่างนั้นเขาเห็นขันห้าว่าเป็นตนบ้างเห็นตนมีขันห้าบ้างไม่รู้ว่าขันห้านั้นอันที่แท้แล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตน มีปัจจัยปรุงแต่งหลุดผู้ฆ่าพุทุชนนั้นยึดมั่นถือมั่นในขันห้าขันห้าที่เขายึดมั่นไว้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อทุกตลอดกาลนานส่วนสาวกของพระอริยะได้สดับยรทำแล้วไม่ยึดมั่นในขันห้าข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์และเพื่อสุขตลอดกาลนาน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 ไม่รู้โทษของความยึดถือเมื่อสิ่งที่ยึดมั่นว่าเป็นของตนแปรปรวนไปเพราะความไม่เที่ยงไม่อาจเหนี่ยวรังไว้ได้ก็เกิดทุกโทมนัสร่ำไรรำพันตรอมใจมนไม้แม้กระนั้นก็ยังไม่รู้ว่านั่นเป็นเพราะโทษของความยึดมั่นถือมั่นกลับเห็นว่าเป็นเพราะความพลดพลาดบ้างเพราะผู้อื่นมาทาให้บ้างส่วนสาวกของพระอริยะผู้สดับธรรม ศึกษาธรรมเรียนรู้ธรรมย่อมเป็นผู้คลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อสิ่งนั้นสิ่งนั้นแปรปลีนไปเพราะไม่เที่ยงก็รู้ว่าสิ่งนั้นแปรปลีนไปตามเหตุปัจจัยท่านไม่ต้องทุกขโทมนัตไม่ร่ำไรรําพันไม่ห ม, ม่นไหม้ตรอมใจท่านอาศัยสิ่งต่างๆอย่างอิสระ